ย่างเข้าสู่อสงไขที่สองก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าโกนทัญญาันเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยอสงไขยที่สถ้าอสงไขยที่สก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสีพระองค์พระพุทธเจ้ามังคละนะนะสมณะเรวตัตและพระพุทธเจ้าโสพิตะ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 พยากรพระพุทธเจ้าได้รับพยากรณ์มานานแล้วแต่สาวกเพิ่งจะได้รับพยากรณ์อันนี้อัครส า, าวกนะส่วนปกติสาวกที่เป็นเอตทัคฆะทั้งหลายต้องรออีกหนึ่งอสงไข่นะรออีกอสงไขยก็คืออีกหนึ่งอสงไขยนั่นแหละจึงจะพยากรณ์ปกติสาวกทั่วๆไปพระอัครส า, าวกคือพระสารีบุตรกับพระโมคคลานานั้น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 เมาดูข้อความในพุทธวงศ์ก็คือวงของพระอนุมัตสีพุทธเจ้าที่เจข้อ8กล่าวว่าต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามวาโสพิตะผ่านไปประมาณหนึ่งอสงไขนั่นนะก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดแห่งสัตว์สองเท้าอย่างที่กล่าวในภาษาทสูตรว่าในจำนวนสัตว์ไม่มีเท้า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 มีพระเดชอันล่วงละเมิดได้ยากเ น, นะเดชคือศีลเดชคือสมาธิปัญญาเป็นต้นนั้นไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ น, นะก็คือแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงตัดเครื่องผูกทั้งปวงเครื่องผูกเอาไว้ในกรรมมาพบรูปประพบอรูปประพบพระองค์ทรงรื้อพบทั้งสามเพราะอะไรเพราะตัดกรรมตัดกรรมที่จะนาไปสู่พบสามแล้ว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 พระองค์ไม่กระเพื่อมดุจสาคอนอันใครๆเข้าเฝ้าได้ยากดุจบรรพศมีพระคุณไม่มีที่สุดดุจอากาศทรงบานเต็มที่ดุจพยาสาพรพฤกแม้ด้วยเพียงเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีสัตว์เหล่านั้นได้ฟังพระดำรัดของพระองค์ซึ่งกำลังตรัสอยู่ก็บรรลุอมะตะธรรมพระองค์มีธรรมมาพิสมัยสาเร็จจเริญไปในครั้งนั้น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 8โกดเนี่ยนะ18โกดพระอนุมัศสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีสันนิบาตการประชุมสาวกอรหรันผู้ถึงกำลังแห่งอภิญยาผู้บานเต็มที่แล้วด้วยวิมุตสามครั้งนะประชุมพระอรหันสามครั้งครั้งที่หนึ่งเป็นการประชุมพระอรหันแปดแสนผู้ละความเมาและโมหะมีจิตสงบผู้คงที่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 ทนย้อนมหาพระโพธิสัตว์ของเราผู้ที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระดามว่าโคดมนั้นพระองค์เล่าว่าสมัยนั้นเราเป็นยักษ์มีริสเป็นใหญ่มีอํานาจเหนือยักษ์หลายโกูดนะคําว่ายักษ์นั้นเป็นชื่อของเทวดาเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชท่านเองแม้ในครั้งนั้นเราก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้น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 บุตรผู้นี้นะนับจากนี้ไปเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่หาประมาณไม่ได้นับแต่กัปนี้ก็คือหลังจากนี้ไปหนึ่งอสงไขยแสนกัปยักษ์ผู้นี้หรือเทวดาผู้นี้จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอดใจรอไว้ไห่เนี่ยหนึ่งอสงไขยบอกอดใจรอไม่ได้แต่ไปไม่ได้ใ้อรอก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถูกทําไงดีกันเนี่ย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 พระตถ า, าคตประทับนั่งนโคนต้นอชาปาลนิโครธสรงรับเข้ามาทุ ป, ปายญาตในที่นั้นแล้วเสด็จเข้าไปยังแม่น้ำนีรันชราจริงอะ่ะเข้าไปยังแม่น้ำนีรันชรานี่แปลว่าข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งไม่ใช่ไป็มุดน้ำหรือที่ไหนหรอกมหมายหมายว่าข้ามจากอีกฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะอยู่คนละฝักกัน พระชนะพุทธเจ้าพระองค์นั้นสเสวยข้าวมาทุปายาดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสเสด็จดำเนินไปตามหนทางอันดีที่เขาจัดแต่งแล้วเข้าไปที่โคนต้นโรพเพึกแต่นั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทรงทำรรประทักศิลโพที่มันทัศฐานอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ณโคนโรพเพึกชื่อว่าต้นอสัตต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้เนี่ยนะท่านผู้นี้จะมีพระพุทธมารดาพระนามว่ามายาพระ พุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุธโทธทนะท่านผู้นี้มีพระนามว่าโคตมะอัครสาวกชื่อว่าโกลิตะและสาริบทผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุท้อุปถากเชื่อว่าพระอนนท์จากบำรงพระชีนะพุทธเจ้าพระองค์นี้เสมือนเงาติดตามตัวพระอัครสาวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนา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 เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มดีใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอผู้ทางคูนท่านผู้นี้เป็นว่าที่จะได้ตรัสรู้พระพุทธ เ, เ, เจ้าในอนาคตานะเพราะฉะนั้นหมื่นโลกธาตุหมายถึงเทวดาและมนุษย์ในโลกธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็พากันโห่ร้องปรบมือหัวร้อร่าเริงประคองอัญเชลีนมัสการงกล่าวว่า นี่นะถ้าหากว่าเราพลาดคําสั่งสอนของพระโลกกนธาพระองค์นี้ถ้าเกิดพลาดนะไม่บรรลุสโสราปฏิมกักสวัสดกะทาคมีมกักอนาคามีมกักอรหัตตมักในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะอนาคตกติกาลพวกเราก็จักอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้พลาดครั้งนี้ครั้งหน้าก็ยังพอมีโอกาสใช่ไหมนาะยังนึกอุ่นใจนะครั้งนี้หมาธรรมะทำามาามาันยากเหลือเกินนี่นะแต่ว่าช่างเถอะครั้งนี้พลาดนะขอรครั้งหน้าก็แล้วกัน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 เสียสงไัยเหมือนกันนะแล้วก็มีคนที่เขาตั้งใจตั้งหมดตั้งใจโอ้รอได้ใจเย็นจริงๆบางครั้งบอกโอ้รอไปเต้อะไรรอไปเธอเดี๋ยวขอไปก่อนนะั่นะนะอย่างเงี้ยนะอ้าวเบ๊กว่าไปถึงไหนแล้วก็ยังหิ้วกระเป๋าเดินกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละเพราะงั้นะนะทํำท่าจะได้ไปทําท่าจะได้ไปตกเครื่องทุกทีเนี่ยนะ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 พระชินะพุทธเจ้าทรงเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินีสกรมด้วยยานคือวอใช้นั่งวอกไปน่นะทรงตั้งความเพียรอยู่สิบเดือนเต็มนะนะรวบรวมโพธิปักคยธรรมพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเจวันนะนะพระพุทธเจ้าองค์ น, น, นะงค น, นี้สิบเดือนพระมหาวีระเจ้าพระองค์ผู้แกล้วกล้าพระองค์นั้นที่มีพระนามว่าอนมมัศิสีมหามุนีผู้สงบ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 มีพระอาัคาราสาวกชื่อว่านิสพะและอนุมะมีพระพุทธอุปถากชื่อว่าวรุณะมีอาัคาราสาวิกาชื่อว่าพระสุนทรีและพระสมาณาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอัชชุะิะต้นกลุ่มมีอัคาราอุปถากชื่อว่านันทิวัตถะและก็สิริวัตถะมีอัคาราอุปถายิกาชื่อว่าอุปลาและปทุมาปทุมาเข้าไปกับเขาด้วยนะ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 รรมะวินัยนะเรียกว่านับสองก็เรียกว่าธรมกับวินัยนับหนึ่งก็วิมุตติรสนับสาก็ปิดกสานับห้านิกายหานับ9คําคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์เาอันพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้คงที่ปราศจากราคะไรม้มนทินให้แผ่ไปดีแล้วคำสั่งสอนของพระชินเจ้าจึงงามพระาศาสดาผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นด้วยคู่พระสาวกอันใครใครวัดไม่ได้เหล่านั้นด้วย ทั้งพระศาสดาทั้งพระสาวกทั้งหมดนั้นก็อันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้พระอนุมัตสีพุทธเจ้าผู้ชนะผู้เป็นภะษาสดาพาสัตข้ามจากวัตะเสด็จดับขันธปรินิพานณพระวิหารธรรมรามสถูปของพระองค์ณอารามนั้นสูง20โยชนนะจะดีสูงมากนะพุทธเจ้าพระองค์นี้ เนิ่นนานศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ผ่านไปมาดูข้อความในอัตถกถาว่าเมื่อพระโสพิตะพุทธเจ้าปรินิพานดับขันปรินิพานคาว่าปรินิพานในที่นี้ไม่ใช่นิโรธสัจจะปรินิพานตัวนี้ไม่ใช่เป็นชื่อของนิโรธสัจจะแต่เป็นชื่อของการสละโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ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 พระพุทธเจ้าทั้งสาพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวอาอนมุมัตสีทรงบำเพ็ญพระบา ร, รมี16อสงไขยแสนกับเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะเนี่ย น, นะวิริยาธิกะพระพุทธเจ้าอนมุมัติสีบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือหลังจากที่ปัญจมหาบริจาคเช่นกับพระเวสสันดรแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอันเทพพ ย, ายดา